พูดกี่ที่พูดกี่ที่มันก็เรื่องเก่าซ้ำเดิมทั้งนั้นแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ๆละพูดไปพูดมามันก็กินของเก่าไปพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้าเล่าปฏิบัติธรรมมันก็มีอยู่แค่นี้แหละมีสติคอยรักษาใจเรา คอยมีสติรักษาใจคอยที่จะเห็นจิตใจว่ามันไปยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องแวะกับเรื่องอะไรมันสงบพุ่นวายจากเรื่องต่างๆภายนอกไหมผัาษาที่มันมากระทบแล้วมันเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจเราหรือว่ามันมีผัษามากระทบ แล้วเราก็ไม่หวั่นไหวไปตามมันแต่ถ้าใจเราไม่หวั่นไหวอารมณ์เรามันไม่หวั่นไหวไปตามภาษาข้างนอกมันก็ขึ้นชื่อว่าเราก็มีสมาธิมีกำลังความสงบของใจได้ดีแต่ถ้าใจเรากระทบกระเทือน หรือเวลาที่เราเห็นผัสสะที่มันมากระทบเราเห็นกระแสของใจที่มันเปลี่ยนไปรักษาใจโดยกันที่เราดึงใจเรากลับมาไว้ที่ลมหายใจที่คำบริกรมรมพุทโธแล้วการที่ เห็นถึงใจมันไปเกาะไปเกี่ยวไปมีอารมณ์กับเรื่องที่เราเห็นกับเรื่องที่เราฟังพอเรามีสติเห็นอยู่รู้เท่าทันเห็นโทษของการที่เราส่งใจออกไปข้างนอกเห็นถึงภัยของการที่เรามีความเผลอเพลินไปในภัสสะต่างๆ แล้วเราก็ได้ดึงใจกลับมาไว้ในภายในตั้งมั่นได้มันก็ขึ้นชื่อว่าเราก็มีมีปัญญาที่จะเห็นภัยเห็นโทษของสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ย้อนใจกลับมาไว้ที่ลมหายใจ ย้อนกลับมาไว้ที่พุโทโธที่เป็นเครื่องอยู่แต่มันก็ต่างกันอยู่นะว่าเรามีสติเห็นใจมันส่งออกแล้วเราก็ย้อนกลับเข้ามาสู่ในภายในการทําแบบนี้มันก็ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปัญญาเสมอไปมันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นการทําสมาธิด้วย พื้นๆมันก็เป็นการทำสมาธินั่นแหละแต่มันจะประกอบไปด้วยปัญญาหรือเปล่าอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่โดยมากคนที่ปฏิบัติธรรมมันก็ปฏิบัติแบบเอากิเลสเป็นผู้นำนะยังไงถึงเรียกว่าเอากิเลสเป็นผู้นำปฏิบัติธรรม ก็เอาอยากนําใจนี่แหละความอยากอยากดีมันก็มีมีผลกับใจที่ทำให้เรามีความขยันมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติเพิ่มขึ้นให้มันดีขึ้นแล้วก็หมั่นที่จะใช้ใจ่ายเวลาในการที่เราจะมาฝึกมาหัด มาศึกษาให้มันมากขึ้นอันนี้มันก็แบบโลกๆนะะเรียกว่ามันก็ต้องมีแพชชั่นที่จะนำใจไปและการที่เรามีแพชชั่นแบบนี้ในแบบที่เราจะปฏิบัติทำมันไม่ดียังไงคือถ้า มันไม่พอดีอะไรมันไม่พอดีมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละถ้าเราอยากดีมันก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้ามันอยากดีมากเกินไปอันนี้มันก็ไม่ดี แ, ล, แล้ะเพราะนั้นเราก็ต้องคอยหมั่นสำรวจตัวเราเนะี่ยว่าอยากมันนำใจเราไหมความอยากฮะ แน่นอนว่าการที่เราเห็นข้อสอบการที่เราเจอข้อสอบขณะที่เรากาลังทําข้อสอบมันก็เป็นเป็นอะไรที่มันก็จะมากระทบใจทําให้เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะพ้นทุกข์อยากจะแก้ข้อสอบให้มันได้เราจะทำยังไง แต่การที่เราจะทำข้อสอบให้มันผ่านเนี่ยเหมือนเราเรียนหนังสือเราก็ต้องทําให้มันถูกกับโจทย์ที่มันมีใช่ไหมตั้งสมมติฐานเนีมันถูกวิธีการถูกสมมติฐานถูกวิธีการถูกผลลัพธ์มันก็ต้องผนวกกับองค์ประกอบความรู้อื่นๆที่จะใช้แก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็ทําให้เราได้คําตอบ แต่การอยากสอบให้มันได้ดีการอยากสอบผ่านณนะตอนนั้นอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่มันไม่ไม่ใช่เรื่องไงมันเป็นเรื่องที่ทำให้ใจเรามันร้อนรนปุ้นวายทำให้แทนที่เราจะมีสมาธิกับการงานก็กลายเป็น ความจดจอ่อที่เราควรจะมีให้กับการงานก็หายไปไปอยู่กับความอยากไปอยู่กับความฟุ้งซ่านไปอยู่กับเรื่องอะไรก็ไม่เป็นไม่รู้แหละไม่เป็นสาระที่จะทําให้เราทําการงานได้อย่างดีแต่พูดอย่างนี้มันก็จะดูเหมือนผิดกับทางโลกอะ่ะทางโลกก็ว่าอะไรมันจะต้องกดดันกันหน่อย มันจะได้เหมือนกับว่าได้มีแรงผลักดันให้ทําให้ก้าวต่อไปให้มีการแข่งขันมีการกดดันเราก็จะได้พัฒนาตัวเองพัฒนาการงานมันก็ไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าจะเอามาใช้ในทางทางธรรม แต่การที่เร า, เามีความเพียรสม่ำเสมอการที่เราไม่ยอ่อหย่อนไม่ประมาทอันนี้มันมั น, ม, นมันก็เป็นฝ่ายจาเป็นแต่ถ้ามันเกินความพอดีมันมีอยากนําใจที่มันคอยบังคับบัญชาควบคุมจิตใจเราอยู่มันก็ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติธรรมะ ปฏิบัติธรรมของเรามันลดน้อยลงไปกเหมือนตอนที่เราทำงานแล้วก็รี บ, รบเร่งเร่งมันก็ทำงานได้ไม่ดีใช่ไหมหรือไม่กับงานที่มันมีส่วนได้ส่วนเสียที่มันผูกพันกับเราค่อนข้างเยอะมันก็ทำให้มีความกดดันอะไรแล้วก็มีความคาดหวังว่ามันจะต้องให้มันได้นะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทําอยู่ภายใต้สภาวะความกดดันแบบนั้นเนี่ยมันก็มีหลายทางเลือกใช่ไหมทางเลือกหนึ่งที่เราเห็นกันมากๆอย่างในหนังเนี้ยก็ต้องไปฟอสเพื่อนร่วมงานฟอสตัวเองฟอสคนลูกค้ากดดันคนต่างๆนั่นแหละที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นแหละเพื่อที่จะทําท ภารกิจให้มันลุล่วงไปทั้งในทางดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไปแต่งานทางด้านปฏิบัติธรรมมันเกี่ยวกับจิตใจแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนมันไม่ได้ได้แบบเป็นเงินเป็นก้อนวัตถุอะไรนะแต่ผลของงานทางด้านปฏิบัติธรรมคือ ความทุกข์ที่มันมีในจิตใจมันก็จะลดลงแต่การที่เรามีความอยากที่มันคอยกลุมหัวใจคอยบงการอย่างลับๆเนี่ยเรามองไม่เห็นผลที่ได้มันก็เป็นความทุกข์ความร้อนจากการที่มันมีอยากคอยบงการคอยชี้ น, นำหัวใจเราสุดท้ายเราก็มองไม่เห็นแหละว่าที่เราทุกข์ทุกเพราะอะไร มันทุกข์เพราะเรามีมิตรที่มันเป็นมิตรไม่ดีไม่ใช่กาลยานในมิตรเราไปคบกับความอยากเป็นเพื่อนพล่อความอยากมันเป็นเพื่อนมันก็เอ้ยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้กระซิบเราไปดูสิมันไม่ค่อยดีอ่ะเราเราก็ต้อง เ, อเดี๋ยวทำอย่างนี้เดี๋ยวไปทำแบบนี้ เดี๋ยวเราไปหาคนนี้อยากมันก็คอยบงการคอยเสียมหัวใจเราอยู่เรื่อยๆแต่มันไม่บอกเราหรอกว่าไอตัวความอยากนี่แหละตัวที่มันคอยมาบั่นทอนไอบริษัทของเราบริษัทธรรมะของเรา ก็ไม่ต่างจากหนังจากละครที่เราดูนั่นแหละว่าเวลาที่ประธานบริษัทเจ้าของบริษัทแล้วก็มีคนใกล้ตัวที่คอยชี้นําแล้วก็เนียนๆไปพูดอะไรเจ้าของก็เชื่อแต่สุดท้ายตัวนี้ก็คอยไปเขาเรียกว่าบ่อนทําลายความเจริญก้าวหน้าของบริษัท ความอยากนี่มันก็ไม่ต่างเลยคล้ายๆกันเลยข้ามาตีเนียนตีสนิทกับเราเราก็คอยชี้ให้เราทําอย่างนั่นชี้ให้เราทําอย่างนี้ถ้าเอาตัวนี้ออกไปได้เนี่ย เ, เหตุของความเสื่อมมันก็ได้ถูกกําจัดออกไปแล้วรเราเอาเหตุของความเสื่อมตัวนี้ไปได้ เอาออกไปมันก็ค่อยๆที่จะฟื้นฟูค่อยๆที่จะฟื้นฟูมันเรื่อยๆให้มันดีขึ้นนะพออยากมันเผาใจมากๆเผามากๆเผามากๆไปมันก็ ให้เป็นตอยู่และคำถามก็มีเยอะแยะในหัวว่าเราจะทำยังไงเราจะต้องทำอะไรแล้วพออยากมันมีอยู่ในหัวหัวใจเรามากมากเนี่ยมันก็จะบั่นทอนความนิ่มนวลบั่นทอนความฉลาดใน การพูดการทำการคิดของเราไปด้วยมันก็พูดยากอย่าบางคนบอกเอ้ยทำไมฉันเข้าสมาธิไม่ดีฉันก็พยายามขยันทุกวันนะฉันก็มีพุโทโธเป็นที่พึ่งแต่พอเอาพุโทโธเป็นที่พึ่ง ก็กลายเป็นว่าฉันเป็นคนไม่สนโลกไม่สนอะไรคนรอบข้างก็จะมองฉันดูแปลกๆปแต่พอฉันต้องหย่อนตรงนี้ให้เพื่อจะเข้าสังคมได้ก็กลายเป็นรู้สึกเหมือนกับว่าความสงบที่มีทั้งด้านจิตใจของฉันก็หายไปมันก็กลายเป็นว่า เอ๊ะแล้วฉันจะเอาอย่างไรกับชีวิตฉันดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดหาคำตอบว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตดีกับคำถามที่มันเกิดขึ้นอันนี้อันนี้มันคำถามที่มันเป็นกิเลสมันก็นำใจเราไป มันก็เป็นคำถามที่ความอยากนี่แหละโลภะความอยากคอยเสียมเราให้เราคิดไปแบบนั้นมันทำให้เรามีความความเห็นนะที่มันคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงของเราอะซึ่งถ้าเราจะบอกว่า เราอยากจะให้มันดีดีเหมือนแบบที่ครูบาอาจารย์ได้สละสละเรือนออกไปเป็นนักบวชอยู่ป่าอยู่เขาหรือว่าอยู่วัดโดยที่ไม่ต้องมีคนมาวุ่นวายจอแจมันก็คนละ้เงื่อนไขกันนะนะต่างคนมันก็ต่างมีวิถี ซึ่งถ้าตอนนี้เราทำไม่ได้แล้วเราจะรอให้เรามีเงื่อนไขแบบที่เหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกับครูบาอาจารย์หรือเหมือนกับคนนั้นคนนี้มันมันก็ก็รอไปรอไปแล้วก็รอต่อไปอันนกิเลสคือความอยาบมันก็ทำให้เรา พาไปคิดอย่างนั้นเลเพราะนั้นสิ่งที่เราก็ต้องพยายามที่จะเท่าทันมันนะหัดที่จะแก้ใจตัวเองคิดอย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงคิดอย่างนี้แล้วมันทุกข์ไหมคิดอย่างนี้แล้วมันแก้ปัญหาได้ไหมแล้วพอเห็นว่ามันทำให้เป็นทุกข์แก้ปัญหาไม่ได้ อย่างหนึ่งที่บางทีคนไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยแล้วอะไรทำให้เราคิดอย่างนั้นให้เรารู้สึกอย่างนั้นเหตุของการที่เรารู้สึกอย่างนี้เหตุของการที่เราคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นไปด้วยอำนาจของใจลักษณะไหน ซึ่งถ้าเราไม่ไม่ย้อนไม่ตั้งคำถามหรือว่าไม่สังเกตมันก็ย่ำตัอกอยู่อย่างนี้แหละเราก็จะมองไม่เห็นหน้าของไอ้กิเลสประเภทผูกเน็กไถใส่สูตรหล่อๆมาคบกับเราไม่เห็นว่าไอ้ตัวนี้แหละที่มันเป็นตัวแสบคอยแอบแทงข้างหลังเราอยู่ตลอด คอยคิดแต่นโยบายที่มันจะเหมือนจะดูดีแต่ที่ไหนได้เป็นนโยบายบั่นทอนสภาพจิตใจของเราถ้าเรามีเงื่อนไขที่ที่มันเป็นของเราอะเรายังต้องอยู่เรายังต้องทามาหากินเรามีลูกเราก็ต้องเลี้ยงลูก เร า, เามีครอบครัวเราก็ต้องดูแลครอบครัวแต่เราจะทํายังไงต่างหากที่ให้มันเหมาะสมพอดีทั้งภายนอกทั้งภายในรู้จักที่จะประเมินเหตุของการการกระทำอะว่าเหตุฝ่ายดีเท่าไหร่เหตุฝ่ายไม่ดีเท่าไหร่ แล้วผลผลที่มันถูกต้องถูกตรงตามความเป็นจริงมันอยู่ตรงไหนแต่พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยความอยากในใจมันก็มาเสียมเราอีกโอ้ยมันจะไปจบงานได้ยังไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็หลอกเราอยู่หนละหลอกให้เราไปติดกับกับดักคือความคาดหวัง คือภาพที่มันดีเลิศเลอที่เราตั้งเอาไว้หลอกตัวเองแต่อคุณธรรมที่มันเรียกว่าสันตุถีเราไม่เคยรู้จักมันเลยรู้จักแต่มหิจชตาคือความมากความอยากอันใหญ่ๆห่ที่เราตั้งเอาไว้ในหัวใจอยากที่จะทำให้มันได้แต่คุณธรรม ที่มันจะมาขัดกล่าวกิเลสออกไปจากใจที่เรียกว่าสันตุดถีเนี่ยคือความยินดียินดีตามกำลังยินดีในผลที่ได้ทำเราก็ละเลยละทิ้งไปพอมันไม่มีตัวนี้เนี่ยความอยากมาหิดชตาเนี่ยความอยากใหญ่ความมักมากมันก็เข้าครอบงำจิตใจเราเต็มที่นั่นแหละ ถ้าเรามีสันตุถีคือความยินดีความยินดีสันตุถีนี่อันนี้มันจะเกิดได้มันก็หลายๆเหตุปัจจัยนั่นแหละแต่อย่างน้อยๆการที่สันตุถีจะเกิดขึ้นได้เนี่ยการเข้าใจและยอมรับตามความเป็นจริงในเหตุและผลของเหตุที่ได้กระทำไปมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้สันตุถีเกิดขึ้นได้ ธรรมีคุณธรรมที่เรียว่าสันตุถีเกิดขึ้นใจเรามันก็เย็นสบายใจเราก็เขาเรียกว่าพออยู่ได้ไม่เร่าร้อนได้ซัดหน้ากับความอยากได้สวนหมัดมันบ้างแต่ถ้าเราไม่เท่าทันความอยากมันก็ซัดคุณธรรมม่ที่เรียวะสันตุถี กีดกันเบียดบังออกไปจากใจของเราใจเรามันก็ร้อนอยู่นั่นแหละทําดีแล้วมันไม่ดีดีสักทีหนึ่งทําดีแล้วมันดีดีดีดีดีดีดีแค่นี้เองมันยังไม่ดีอย่างที่มันควรจะต้องเป็นนะไอ้พวกนี้มันก็กิเลสล้นๆ้นทั้งนั้นนี่มาเสียมใจเราอยู่แต่พอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าทําให้เราไม่พัฒนาตัวเองมันก็ไม่ใช่นะ ความยินดีพอใจคือสันตุติเนี่ยมันทําให้เราไม่เร่าร้อนไม่เร่าร้อนไม่ขุ่นมัวแต่ไม่ใช่ว่าเราหยุดการพัฒนาตัวเองไม่ใช่การที่เรามีความยินดีณปัจจุบันเนี่ยใจเรามันก็ไม่ทุกข์ไงเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อเราไม่ทุกข์ไม่ใช่หรอ แต่ถ้าเราไม่มีความยินดีเกิดขึ้นไม่มีความพอใจเกิดขึ้นมันก็ต้องทุกข์แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีความพอดีความยินดีในผลที่มันเกิดขึ้นส่วนเราจะพัฒนายังไงมันก็จะเป็นการคิดการพัฒนาไปในแบบที่ไม่ได้มีเขาเรียกว่า ตัวอยากตัวโลภตัวตัณหามาคอยนำใจละมองสิ่งต่างๆมองเหตุมองเงื่อนไขหรือว่าคำนวณถึงผลที่มันจะได้นะมันก็อยู่บนพื้นฐานตามความเป็นจริงแล้วเราก็พัฒนามันได้ตรงทางขึ้นเพราะว่าไม่ได้มีหัวหน้าขบวนหรือว่าไม่ได้มี คนมาสอดแทรกนโยบายที่มันจะคอยบั่นทอนกำลังใจบั่นทอนจิตใจหรือว่าทำให้เราออกนอกทางพูดไปมันก็เหมันจะเป็นเรื่องที่มันดูสลับซับซ้อนแต่พออยู่ณนะหน้างานอยู่ในวงทำงานมันก็ไม่มีอะไรมาก ก็มีแค่สติที่เราคอยรักษาใจเราอะไรที่มันมาสัมผัสกับใจมันกระเทือนใจไหมมันสร้างความยินดีพอใจในทางการไหมหรือมันทำให้เรามีความทะยานอยากครอบงาใจไหมทางด้านความคิดก็ดีหรือทางด้านภาษะต่างๆก็ดี มันก็อยู่บนพื้นฐานที่เรามีสติคอยที่จะเห็นเห็นใจของเราเนี่ยแหละเห็นใจเห็นอารมณ์ในใจเห็นความคิดก็ต้องมีสติที่คอยหมั่นสารวจเป็นผู้เฝ้าดูเป็นผู้เฝ้ามองแต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่ว่าส่งออกไป ส่งออกไปเล่นส่งออกไปดูส่งออกไปลุยเราเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้ศึกษาเราก็ดูแล้วก็รู้แล้วก็ศึกษามันถ้าเรามีสติเอาใจกับสติให้มันเป็นหนึ่งเราก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเราเป็นผู้ดูผู้รู้ได้ดี เอาใจเอาความรู้สึกในใจของเราเนี่ยให้มันกลมเกลือนไปกับสติถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอะไรที่มันมากระทบใจมีความอยากเป็นต้นเงี้ยมันกระเพื่อมอยู่ในใจมันก็จะเห็นได้ดีนลมหายใจก็ดีพุทโธก็ดีมันเป็นเครื่องระลึก เป็นสิ่งรู้ของสติต่างหากแต่ไม่ใช่เอาตัวเราเข้าไปแมะไว้กอดเอาไว้กับลมหายใจหรือพุทโธชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องระลึกมันเป็นแค่เครื่องระลึกของสติเฉยๆแต่ไม่ใช่ว่าสงใจไปเป็น สงใจเข้าไปยึดสงใจเข้าไปไปเกาะกับมันน่ะเป็นแค่เครื่องระลึกของใจเป็นแค่หลักที่จะผูกใจเราเอาไว้อยู่ในภายในไม่ให้ออกไปไหนพอเราอยู่ในภายในเราก็เห็นใจเราได้ดีขึ้นนั่นแหละว่าละณสภาวะตอนนี้ใจของเราเป็นยังไงมีจิตประกอบด้วยโทสะก็รู้ จิตที่มันไม่ประกอบด้วยโทสะก็รู้จิตที่มันไม่มีโลภะก็รู้หรือว่าจิตตอนนี้มันมีโลภะอยู่ก็รู้หรือว่าจิตที่มันมีราคะก็รู้หรือว่าตอนนี้จิตเราไม่มีราคะเราก็รู้ก็ต้องพยายามนี่แหละ พยายามศึกษาเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้ศึกษาแต่ก็อย่าให้เป็นนักปฏิบัติแบบที่เรียกว่าปฏิบัติตามอยากแต่ให้ปฏิบัติให้มันถูกอย่าให้อยากมันนําใจอย่าให้อยากมันมาคอยจูงใจของเรา ปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็คว้าแต่อยากอยากยากทับถมใจอันนี้ไม่ได้อันนี้มันไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการที่เราจะทำการงานอันนี้ให้มันลุล่วงสำเร็จไปได้ด้วยดีพูดไปมันก็ดูเหมือนมองได้ทั้งสองอย่างอ่ะจะง่ายก็ง่ายจะยากก็ยากถึงแม้ฟังแล้วมีคนมาบอกให้ฟังแล้วว่า อันนี้มันก็เป็นช่องทางเป็นกับดักอันหนึ่งที่ต้องคอยระวังแต่พอเราไปลุยกันในสนามรบจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดได้สิ่งที่เราจินตนาการได้จากการฟังเราจะนําไปใช้จริงแล้วก็เจอตัวจริงของมันเนี่ยได้ ดีมากน้อยเท่าไหร่อันนั้นก็ต้องไปไปหัดไปฝึกไปสู้กันดู